เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายแต่ลมประปติญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องวิปราสในข้อที่สี่ที่ท่านเรียกว่าอัตตวิปราสนาคือการไปมองเห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงว่าเป็นตัวเป็นตน ประเด็นตรงนี้ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นการพูดถึงความจริงสองชั้นเป็นความจริงแบบสมมุติบัญญตัติซึ่งเสาเหนว่าในแง่นี้ก็ถึงยอมรับความเป็นตัวเป็นตนในแง่ของสมมุติบัญญัติจชนรูปธรรมสิเป็นอันมากที่เราคุ้นคุ้นเราก็ได้ยินได้ฟางกัน จงเปลี่นตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ก็แสดงว่ายอมรับในแง่ของการสมมติเป็นภิกษุเป็นสามเณรมีภาระหน้าที่อย่างนั้นเป็นสามีเป็นปันยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็แสดงบทบาทตรงนั้นให้ดีตามที่สูขสมมติให้เป็นแต่ปะเห็นว่าเรามองลึกๆเนี่ย เราก็เป็นตามสมควรแก่ขณะที่เราเป็นหมายความมาอะไรไปตามสมควรแก่ขณะที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นๆเช่นสมมติเรานั่งล้อมวงกันทุกคนก็เล่นบทสมมุติเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนใช้เป็นผู่บงคับัญชษอะไรตัวไรเนี่ย เราจะต้องรู้เท่าทันถึงสถานะของเราที่ปฏิสัมพันธ์กับคนนั้นในขณะนั้นๆตอนนี้พูดกับพ่อตอนนี้พูดกับเพื่อนตอนนี้พูดกับปู่ย่าตายายะอะไรตาเนี่เราจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เรียบทกลียาท่าชีก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีเหล่านั้นซึ่งบางครั้งบางคราวถ้าดูให้ชัดเนี่ย ก็เหมือนกับการเล่นการแสดงละครการแสดงภาพยนตร์การแสด ง, ะ อ, สด ง, สดงอะไรก็ตามพี่มีการสมมติเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมาและแต่ละคนก็ต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองที่ถูกกาหนดให้แสดงในขณะนั้นๆแล้วก็แสดงให้ดีแสดงให้ได้แสดงให้ดีแสดงให้เป็นพอจบก็คือจบคือถ้าจบแล้วยังขืนแสดงอยู่มันก็กลายเป็นละครที่หลงโง ในแง่ของความเป็นโลกเนี่ยนะมันส่วนใหญ่เราก็ยังมีตัวตนอยู่ตัวคนที่ทำลายความยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยมันเริ่มจากพระโสดาบันขึ้นไปแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ยังอนุวัตยค้อยตามการสมมติบัญญัติกันนะอย่างพระนามพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราสังเกตที่รับสั่งเรียกพระองค์เอง ท้เรียกว่าตถาคตตถาคตแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่ามาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปกหมายความว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นตำแหน่งสากลแล้วทุกคนเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นโดยวิธีการอย่างเดียวกันทั้งหมดเลย ไม่มีความแตกต่างในเชิงวิธีการอาจจะแตกต่างในช่วงเวลาช่วงเวลาออกพนวดจนถึงจัดสรู้ช่วงเวลาการสร้างบารมีมันก็แตกต่างนะแต่ในความเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีความแตกต่างคือจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามนะฮะก็อยู่ในพระคุณทั้งสามประการ แล้วก็ไม่สามารถที่จะ ด, ดนบันดาลอะไรใครนะหรือว่าเป่ากระหม่อมใครให้เป็นไรย า, าบุคคลได้นอกจากว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติเอาเองก็ทําหน้าที่ก็เพียงเป็นผู้ชี้บอกข่าให้แต่ว่าไม่มีลักษณะป้องกันดนบันดาลเป็นกระบวนการของกรรมล้วนๆและในขณะเดียวกันมันสะท้อนถึงกระบวนการของชีวิตทั้งหลายเนี่ย ว่ามันมาอย่างไงก็ไปก็มันอย่างนั้นนะมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปว่าแนวอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยเป็นแนวที่จริงๆเนี่ยคำทั้งสองคำในสมมติปัญญาด้วยกันนะที่เราถกเฉียงบางทีเราก็ถกเฉียงในประเด็นว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง นะเช่นมีคนไปกล่าวอ้างว่าพระอาจารย์บัวบอกว่าไม่เป็นทั้งอัตตาทั้ง น, นัตตานิพพานไม่เป็นทั้งอัตตานัตตาแล้วก็เอาไปอ้างกันคือเมื่อไม่ไม่สมมติเนี่ยมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะเพราตรงนี้เป็นสมมติเพื่อเป็นสื่อเรียกตอนนั้นเองมันคําว่านิพพานเนี่ยมีเป็นร้อยนะคําว่านิพพานเนี่ยความหมายเนี่ยมีมีเป็นร้อยเลยเอาอย่างในธรรมจกกักรวัตนาสูตรที่เราผ่านมาแล้วนะคร ทีเ่เราผ่านมาแล้วเราจะเห็นว่าอุปสมายะปิญญาะสัมโบธายะนิพานายะเดี๋ยวไหอันนี้ก็หมายถึงนิพานอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบปิญญาะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโบธายะเป็นไปเพื่อจดสู้นิพานายะคือนิพานโดยเฉพาะสัมโบทายะกับนิพานายะเนี่ยสัมโบทายะก็เป็นสมัยานคือความรู้ในทางที่ชอบซึ่งเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพาน แต่มันมันห่างกันจนนับไม่ทันหรอกทั้งหมดเนี่ยมันห่างกันแบบนับไม่ทันถ้า ม, มองใกล้ๆกับเราจับน้องแข็งแล้วก็เย็นทันทีเลยนะฮะมันไม่ใช่ย ور, รอสโลโมชั่นอะไรอยู่ก็จับปั๊บก็เย็นปุ๊บทันทีได้ทีนี้คําคําเป็นอันมากนะเช่นเช่นนิยามของคำว่านิโรธก็ยังไม่ถึงนะฮะตอนนิโรก็ถึงแล้วนะนิโรธก็ แปลว่าการดับตัณหาการสละตัณหาการถ่ายถอนตัณหาความไม่หลุดพ้นจากตัณหาไม่มีอะไรในตัณหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นหมายาาทังนิพพานทั้งนั้นเลยทีนี้นิพพานเนี่ยมันมันไม่ได้มีสถานที่เกิดไม่ได้มีพพมีชาติอะไรอีกต่อไปไม่มีการเดินโรวมคือว่าลทัทธิพราหมณ์เนี่ยเขาอธิบายอย่าลืมนะฮะว่า พระพุทธศาสนาเกิดเนี่ยไม่ได้สร้างภาษาใหม่ขึ้นมาภาษาประชัภาษาที่ใช้กันอยู่นั่นแหละใช้กันอยู่ประชาชนฟังและสื่อสารแล้วก็จะเกิดความเข้าใจแต่ที่นี้มันทรรมะเนมีความเป็นนามธรรมนามธรรมเพราะนั้นภาษาที่ใช้สื่อเนี่ยมันจึงมีสะท้อนในเชิงที่เป็นรูปธรรมให้เราเห็นเช่นมาร์กเนี่ยเอา ไ, ไ, ไว้แปลว่าถนนนะ่ะทุกมันก็รู้กันอยู่ สมุทัยก็คือสาเหตุของปัญหาทั้งหลายนี่รอดแปลว่าไม่มีสิ่งเสียดแทงเห็นไหมเขาก็สื่อได้นี่รอดมันมีความหมายลักษณะาาเป็นโรค ป, ประทไม่มีสิ่งเสียดแทงหวีกลัดหนองน้ำำําตําน้ำำําตําหัวเล็บเพ็บเข้าหูอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็สามารถสื่อได้ว่าถ้าไม่มีตรงนี้แหละมันก็จะไม่เจ็บก็จะไม่ปวด เราแสดงว่าความทุกเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันมันเกิดมาจากสิ่งเสียดแทงแล้วที่สําคัญเด่งยิ่งก็คือเรารู้สึกว่าเสียดแทงเราคือถ้าไม่เอเราไปบวกมันจะไม่ปวดนะฮะใช่สมมติเราเยี่ยมคนปวนะ่วยเห็นไหมเราไม่ได้ปวดเราไม่ได้ปวด่วยเราก็เห็นเขาปวดแต่เราไม่ปวดแสดงว่าคือเราไม่ได้ไปเป็นผู้รู้สึกว่าเราปวด แต่ทีนี้บัญชีเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยที่จริงเราไม่ได้ปวดเราหาเรื่องเฉยเฉอ่ะพอคนที่เรารักสมมติว่าถูกอะไรแทงแล้วก็หมอก็พาตัดเราก็ปวดรู้สึกปวดด้วยบางทีก็ไม่กล้าดูอะไรแต่อะไรที่จริงอันนี้ไม่ใช่นะมันอุปาทานเฉนเฉยคือเราจริงๆเราไม่เลยปวดแต่เราสร้างความรู้สึกยึดโยงว่าเป็นญาติของเราเป็นพี่ของเราเป็นน้องของเราสามีปัญญาของเราลูกของเราเนี่ย เราของเราเข้าไปบวกกันเลยก็ได้เรื่องเลยแต่ทีนี้ของเราไปบวกไม่ใช่ว่ามันจะปวดทุกครั้งนะฮะถ้าสตูของเราเราไม่ปวดนะเทตะสูของเราถูกฟันเลือดโชกมาเนี่ยเราไม่ปวดอะไม่รู้สึกปวดบางคนใจดำมาจะรู้สึกสะใจไปได้ทั้งไปอย่างวันก่อนอะไรมันมีนักนั่งมวยในกาหลีมันทำพลาด ยังน้กว่าเอือยนักกีฬา อ, อย่างนี้มันก็แย่แต่มันต่อยชนะอะไรน้องเหมือกนนทที่ชื่อสมานอะไระคือมันบอกมันสะใจที่เอาชนะได้ที่จริงมันเป็นเรื่องกีฬาเฉยๆนะฮะกีฬามันก็มีแพ้มีชนะก็ไม่น่าจะไปสะใจอะไรก็ถือว่าจบก็จบเนี่ยเลนมานั่นเลยสมมุติไม่เป็น ถัอว่าไม่เป็นทีจริงไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรกันมันเป็นเกมกีฬาที่จะต้องมาเจอกันนะแพ้ชนะไม่ได้สาคัญอะไรอ่ะมันก็มีสองประตูแพ้หรือชนะอเสมอมันมีโอกาสน้อยตอนแนวอนัตตาเนี่ยมันต้องต้องเข้าใจอัตตาต้องจะประเด็นอัตตาให้ได้แต่เราจะประเด็นอัตตาไม่ได้เราก็พูดเรื่องอนัตตาไม่ได้แต่ทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเกิดมาด้วยอาหังการนะ มันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมาตั้งแต่ต้นเห็นไหมใครแตะต้องตัวเองไม่ได้เลยนะตอนเล็กๆ เ, เนี่ยพูดไม่รู้เรื่องก็ร้องจากเลเกิดแหววมาถึงก็ร้องทันทีเลยแสดงอัตรา ม, มันใหญ่มากะนะตีก็ร้องเสียลั่นเลยแล้วใครขัดใจไม่ได้นะทุกคนต้องทําใจถ้าขัดใจก็ร้องไห้ถ้าตามใจก็ก็ปล่อยใจว่าราะได้ เห็นไหมการร้องให้การหัวเราะเนี่ยมันแสดงถึงว่าถ้ามีการตอบสนองความต้องการของเธออัตตาของเธอเธอก็ร้ะนะทีนี้ถ้าไปขัดขวางอัตตาของเธอเธอก็โท่สะเธอก็โกรธแสดงว่าเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้มาแต่แต่ต้นเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาจากความหลงเพราะนั้นอาการก็อนัอตตาเนี่ยเป็นอาการของของขอ ง, ของความหลงความหลงเมืเ่อเหลือกลายเป็นวิปลาส คือมันคาเคลื่อนแต่ความจริงมันมองมันมองผิดแผกไปจากความจริงที่มันเป็นแนวอัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคําสอนในรัทธิของพราหมณ์เขาถือว่าที่จริงมันยาวนะนะตำนานเทพเจ้าใน่ยยาวแต่แนวอัตตาเนี่ยมันมาเพิ่งเกิดในยุคที่มันมีปรมาตมัน ปรมาตามันก็เรียกว่ามหตาตมันบ้างแล้วก็ถือว่าเออพวกนี้เป็นกลุ่มพลังงานนะกลุ่มจิตวิญญาณพูดง่ายกลุ่มจิตวิญญาณที่มันกะกลุงมบรดูมหาศาลมากเลยเมื่อก่อนก็ต่างก็อิสระเลื่อยลอยไปในห่วงนภากาศแล้วก็ต่อมามันมีตัวโลกวัตถุอย่างเด่นเ้าเรียกประกร ทีนี้ตัวอัตตานี่ที่จริงเป็นตัวเนี่ยตัวปรมาตมันนี่แหละที่เขาเรียกอัตตาน่ะควมหมายความมันเรียกอัตมันเพราะงั้นในคัมภีร์ของเรานะตัวคาถาจารย์ก็เราท่านเป็นครามอ่ะบางทีต้องมาติดมาในหนังสือคัมภีร์ของเราในเอาคาถาพระธรรมมาบทเรื่องแรกเนแก้อัาเรื่องแรกเนี่ยะอัตตาชื่อวอมโนเลยก็แสดงว่าท่านก็ติดฮะ ติดที่เรียนแบบพระมาะและที่จริงก็ก็ทําให้เรารู้ว่าท่านไม่ใช่เป็นพระรยาเพราท่านอธิบายอย่างงาั้นเราก็เห็นในทีว่าท่านตอท่านตรงนี้ไม่เป็นพระรยาหรอกเพราะอะไรเพราะว่าปัญธรอัตตายังไม่ได้แล้วยังสับสนในเรื่องอัตตาตัวคนระดับปโสดับันเนี่ ย, ยที่จริงก็ถอนอัตตาได้แล้วนะฮะหือสักกายทิจิให้ความเห็นเป็นเอกที่ตัวตัวตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนเนี่ยตนถอนได้แล้วท่านไม่ได้ไปยึดติดในลักษณะอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าต่อมาเนี่ยกลุ่มจิตสากลพูดง่ายนะกลุ่มจิตสากลที่เรียกว่าปรมาตตมันเรียกอมมหัดตมันเนีอมมาหัตมันก็คืออัตราใหญ่นะะปรมาตตมันก็คืออัตราที่มันประเสริฐเลิศยิ่งใหญ่เหมือนกันนะความหมายเหมือนกันแล้วก็มาเจอกระตุปริติดคือโลกวัตถุที่ประกอบด้วยดินน้ำลมควาอากาศไอ้ตัวนี้มันคิดเป็นรักเป็นมากรูเป็นนี่ยนะจิตเนี่ย จิตมันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์มันเกิดพอใจติดใจในตัวประกติแล้วก็แยกออกมาก็สิงสู่อยู่ในประกริตแล้วก็กลายเป็นสัตวรรพชีวิตทั้งหลายในโลกเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะนั้นแนวทฤษฎีวิวัฒนาการในศาสนาพราหมณ์นะเราจะเห็นว่ามันไม่่อยตรงกับชานดาวินเลยนะฮะเรของเราก็ไม่ตรงนะที่จริงเราเราก็ไม่อธิบายอย่างนั้นชานดาวินเขาจะบอกว่าแกเป็นลูกหลานลิงก็ว่าไปนะเราไม่เป็นอะไรแกเนเราก็เป็นลูกหลานมนุษย์น่ย ก็ประกาบเป็นสัปปรพชีวิตอย่างเนี้ยก็เมื่อก่อนมันก็พอใจติดใจยอยู่แต่ในที่สุดเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมเกิตามความเชื่อในแนวเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวพระเจ้านี่ยเขาจะคิดแนวนี้ทั้งนั้นได้เพราะพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยเป็นตัวเที่ยงแท้ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะประมาตารย์ธรมั น, นี่เป็นตัวเที่ยงแท้มหาตรมั น, นี่เป็นตัวเที่ยงแท้แต่พอย่อยออกมาเนี่ไม่เที่ยงแท้ ก็นึกไปออกเหมือนกันนะฮะมันเหมือนกับทองแค่หนึ่งแล้วเราแยกทองออกมาส่วนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ทองไปเลยนีห่หมายความว่ายังไงแนวตัวนี้ที่จริงก็ก็ม่งมั่วสนุกดีงี้นนะนะเวลาเวลาไปอ่านไปศึกษาแล้วก็ค้ำค้ว่าเอ๊ะท่านคิดตัวท่านอย่างไงแล้วทําไมท่านไม่รู้ว่ามันมันขบกันหนะ้าความคิดตัวเนี้ยแต่ท่านก็สื่อต่อกันมาได้นะฮะเขาไม่เสื่อมนะ ดูนินเดียจะได้จะเวลาเนี้ยมันจะมาเป็นพรหมมันมาเป็นพระพรหมมาเป็นอะไรก็ได้ในสุดพุงหนึ่งก็เห็นว่ามันอัตตาเนี่ตัวตนมันมาถูกครั้งถูกครั้งอยู่ในปกติคือในร่างกายเนี่ยก็ต้องพยายามทําตัวเองให้เป็นอิสระก็แนวนี้แหละแนวที่พระเจ้าไปทรมานบุ ร, รุกายอยู่เนี่ยสมัยที่เป็นโพธิสัตว์อะที่ทรมานร่างกายจนพ่ายพรมเนี่ยก็คือแนวความเชื่อตรงนี้ เั้นลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงแม้ในโลกของการสมมติเนี่ยแต่ความจริงที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเกาะกลุมอย่างมีสัดส่วนของสิ่งทั้งหลายถ้าว่าเหตุปัจจัยให้ดำรงอยู่มีอยู่จริงๆเนี่ยมันก็สมมติบัญญัตินะสมมติปัญญัติเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาสังคมเนี่ยถ้าไม่มีสมมติปัญญตัติมันอยู่ไม่ได้หรอก เห็นไม่เส้นสมมติว่าถนนนี่มันต้องมีสัญญาณจราจรจะบอกยังไงใจขับรถยังไงใจเดินยังไงแต่เมื่อนโรบายชนเดือดุ่งหมดสมมติบัญญัติก็เรียกว่าโลกกับนิรุตโลกกับภาษาโลกกัสมมติการสมมุติคนชาวโลกโลกกะบโวหารโวหารกนชาวโลกโลกกับสมัญญาการกําหนดหมายของชาวโลกโลกกับภาษาภาษาของชาวโลกอนี้ตรงนี้ เพียงแต่ว่ามันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องทําใจอยอมรับความจริงเองลบบงาล้คิดแบบง่ายๆอ่ะคิดแบบง่ายๆอย่างที่พระนาคเษนกับพญามีลินนามาเจอกันพญามีลินก็ถามว่าผุญเจ้าชื่ออะไรชื่อพนาเกษนบ้างหมาเสนบ้างสุรเสนบ้างนะะแต่ว่าพอบวชแล้วนี่เพื่อนสัพมจารีเรียกอัตมาภาพว่านาคเษน พญามิินก็ถามมาอะไรชื่อว่านาคเกษนก็ท่านแยกปีะส่วนมาถามพระนาคเกษน์นานก็ไปเสด็จเราไม่ใช่พญามลินก็ตลกบอกว่าพระนี้พูดจาสับปไม่อยู่กระร่องกร้อยแต่กี้นี่บอกว่าชื่อว่านาคเกษนแล้วก็ไปถามไปทามาปรากฏเราไม่ใช่นาคเกษนก็พระนาคเกษนท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านเป็นพระหรันแต่ก็บอกว่ามหาบพิทเนี่ยมาที่อสงไขยบริเวณมาโดยอะไร มาโดยรถมาบอกพิดียืนยันนะว่ามาโดยรถอะไรชื่อว่ารถก็แยกชิ้นส่วนรถออกมาทีละชิน้นพระยามิรินก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านก็ย้อนย้อนนลอยเอาเหมือนเดิมนะว่าเป็นม้าก็สัตว์จัดไม่อยู่ก็ร่องก็รอยพูดจาอย่างหนึ่งว่ามาโดยรถว่าถามอะไรรถก็ไม่ใช่รถ ก็บอกเอา้าพระคุณเจ้าเลือดไปแยกชิ้นส่วนอย่างงั้นมาถามมันจะเป็นรถได้ไงพระนาเกษตรนั ก, นกบอกก็เหมือนการหมาบอพิษที่มันแยกชิ้นส่วนในร่างกายเราจะมามาถามอย่างนั้นมันจะเป็นนากเกษตรได้ไงมันต้องรวมทั้งหมดรถกับบรรทัพก็ต้องรวมทั้งหมดเพื่อนเนกณฑ์กําหนดในความเป็นอนัตตาเนี่ยทั้งสอนให้มองที่จริงมีนัยยะเยอะนะแต่ควรจะมองแค่แค่สี่นัยยะก็พอแล้ว เงินี่เราควบคุมมันไม่ได้เราสั่งการไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเอาสมมุติเราจะต้องการกไปปอ้หลบไปพวดหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจาระปวดปสวัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายเนี่ยเอาอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะอย่าหิวนะอย่ากระหายนะอย่าปวดอุจาร ะ, าระนะอย่าปวดปัสสาวะนะอย่าง่วงนอนนะอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะสับไม่ได้เลยเราอยู่กันมาตั้นงนานแล้วนะไม่เคยพูดกันรู้เรื่องเลยนะหลังกายเราเ แต่แหมเราโอะก็จังเลยนะครับปัตตานุถนอมประคับประครองกันจังเลยฝนมาทยแกแกไม่เอาไปเราฮะป่ดกจะตายแกก็ตายเลยบวดจะปวดแกก็ปวดเลยเราก็ต้องไปปวดนะสะวยทุกเวทนาซึ่งเกิดขึ้นที่เขานะฮะที่จริงก็ไม่ใช่เกิดขึ้นที่เราแต่ใจเราไปยึดว่ามันเป็นของเราคือกายเราอู้เราตาเราปวดเนี่ยเราก็รู้สึกปวด แล้วก็ตรงกันข้ามอัตตาตามความชื่อถือในศาสนาพราหมณ์เนี่ยที่ว่าเนี่ยแงข้องพราหมณ์เนี่ยคือมันเป็นการเดินทางแล้วคนนี้ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะตัวอัตตาตัวเนี้ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันจะเหมือนกับอะไรก็อุปมาเหมือนกับเหมือนกับบ้านร่างกายเนี่ยเหมือนกับบ้านหรือว่าเหมือนกับเสื้อที่เราสวมขาดมันก็เปลี่ยนขาดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรืยบ้านพังมันก็ย้ายบ้านใหม่ไปอยู่ได้เรื่อย แล้วจะกลับไปอยู่รวมกับปรมาตรรมันเพราะแนวของพราหมณ์เนี่ยไปอยู่รวมนะฮะแนวของเทวนิยมเราอื่นมันจะร่วมคือไม่ถึงพระหนึกงเป็นเนื้อเดียวกันแต่ของพราหมณ์เนี่ยแนวรวมเลยนะฮะไปอยู่ไปอยู่ด้วยกันคือพระหนึกกลับไปที่เดิวแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราก็ยุ่งยุ่งพอสมควรน ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าประพัฒสระมิดังปิกเวจิตตังตันจะโค อ, อัันดูเกหิอุปกิเลเซหิอุปสั่งกิริทังดูก่ารพิสูัน์หลายจิตนี้ประพัฒสอนแต่ว่าจิตนี้เศร้ามองไฟพระอุปกิเลที่จอนมาพวกเราก็มันกันใหญ่นะแปลว่าจิตเดิมพ่จิตเดิมมายุ่งเลยเห็นไหมใส่คําว่าเดิมนาทีเดียวยุ่งกันทีเดยเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลย เป็นศาสนาพราหมณ์ไปทันทีพูดคำมาเดิมเข้าไปคำเดียวนั่นแหลนั่นคือความละเมิดละไมในพระพุทธศาสนาข้อความต่างๆอย่างที่มายกตัวอย่างมาในหมากำไรพังกระสูดในวันก่อน น, น่นนะแต่ไม่อธิบายในรายละเอียดเพราะว่าถ้าอธิบายรายละเอียดจะกินเวลาเยอะแล้วมันจะมีคำอยู่นะเป็นคำคำสองคำคำสองคาเนี่ย ซึ่ ง, งถ้าเรียนในชั้นเรียนอะไรก็ได้แต่บรรดาออกวิทยุไม่ไหวคือมันต้องมีการเขียนเขียนที่กระดานลงไปด้วยนะเพื่อจะอธิบายเกิดความเข้าใจในว่าคำบางคำเนี่ยพอเข้าไปแล้วเสียเลยนะทั้งโครงสร้างไม่เสียเลยเช่นีิพานเป็นอัตราเนี่ยเสร็จเลยนะฮะแล้วก็ไปจะอัตตาธรรมดาบางทีมันก็เหลืองเจิงเหลืงแนวหายไปเลย ไปนู่นไปอยู่ที่อายตนานิพานไปยาวหน้าตักยาวตั้งยี่สิบวานใหญ่โตเบลเทอะ์นะอย่งนขอตั้งบาตรเราไม่เห็นเนี่ดูคนหน้าตักยี่สิบวาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนส่วนสูงแล้วหญ่ไปทําอะไรด้วยเจ้าใหญ่ด้วยคุณนะฮะไม่ได้ใหญ่ด้วยกายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ธรรมดานะะ เราเจเห็นว่าจีวรก็กว้างหกซอกยาวเก้าซอกยาวเก้าคืบไม่ใช่ก้าวซอกคืบประสุคตเนี่ยซึ่งจีวรเหล่านี้ถ้าเทียบแล้วที่จีวรในปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสองเมตรสามเมตรเนี่ยนะความกว้างสองเมตรยาวสาเมตรแล้วก็ห่มกันได้นะฮะพระตัวไปก็ห่มกันได้อัตมน้ําหนักเอไม่ใชส่ส่วนส่วนสูงร้อยหกสิบห้ามาก็ห่มผ้าอย่างเงี้ยก็เห็นห่มได้ก็หเห็นแปลกอะไรเพราะพระเจ้า ใ, ใหญ่ด้วยุ่นนะฮะไม่ใช่ใหญ่ดยรู พอเราพาแม่พระเจ้าใหญ่ด้วยรูปเลยกลายเป็นยุ่งเลยแล้วก็ไปอะไรละ่ะไปเส้นอาหารให้ให้สเสวยด้วยยุ่งตายตอนนี้ยาชีจันตายแล้วด้วยนะไม่รู้ใครเส้นให้แย่เลยไอ้ น, นี่คื อ, ค, อคือทําลายคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าปนปี้ปยุบยักบหมดเลยนะเรื่องนิดใยญ่ไ ง, ง, งที่เขาหุ่นใหญ่กันมากเนี่ยเขาหุ่นใหญ่ประเด็นตรงนี้เรื่องอื่นเรื่องของเขา่ช่างเขาอะ เรื่องไปทำลายก็เรียกว่าทำพระธรรมบิณายวิปริตนี่ยคือประเด็นใหญ่เรารับผิดชอบร่วมกันเรามีหน้าที่แก้ไขไปราละวา่าแต่ว่าใครจะทำตัวนะวิปริตจะพระธรรมบินยัยเรื่องของเขาะต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ไปนะเราก็เตือนก็เตือนกันไปเตือนได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปแต่ว่าพระธรรมบิณายไม่ได้เพราะงั้นพอพอจับประเด็นตรงนี้แล้วเราจะเห็นเลยว่า มันมีความชัดเจนว่าถ้าเป็นอัตตายอย่างนั้นแล้วตายเลยน ะ, ะแล้วพูดไปพูดมาอธิบายกันจนเละนะพระพุทธเจ้าต่ำกว่เจ้าของเจ็คต์อีกน ะ, ะพูดไปพูดมาเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าของธิเบตเขาทําอะไรว่าเจ้าของคนจีนนะะเห็นไหมเขาก็ไปตั้งหนังสมาธิอธิษฐานกลั่นอาหารเป็นทิพย์อะไรเลยถวายแล้วก็ลูกช้างก็กินต่อ อันนี้จะต้องให้คนอื่นการอาหาให้เป็นทิพนะ์เทวดายังมีอาหารทิพน์เลยพระมยังมีปีติเป็นพักษาเลยพระพุทธเจ้าตรงกินเครื่องเส้นอันนี้เรื่องเป็นเรื่องอันเด็ด น, นาดในวงการพระศาสนาแต่ผู้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้วันก่อนรองอธิบดีกับนิติกรที่กรมการศาสนาเขามาสอบถามเขาก็บอกว่าก็ยังเชื่ออยู่กเวรกรรมนะเป็นกรรมของประเทศไทยไม่น้อยทีเดียว อยู่พระศาสนามานานแล้วก็ยังไม่เข้าใจแม้นนในเชิงที่เป็นเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนารานนั้นจึงถือว่าพิปราประการหนึ่งต้องฝั่งทั้หลายแต่ลงพอ่อพุัธยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี